ขอเจริพรญาติโยมสาวทุช น, นทุกท่านนะ น, นี้เป็นครั้งแรกที่ตมาได้มาบรรยายที่อินเด็กซิบินมแต่คิดว่าการบรรยายแบบนี้คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับพวกเราเพราะได้ทราบว่าได้มีการบรรยายธรรมะแบบนี้อยู่เป็นประจำอย่างน้อยก็เดือนละครั้งตมาก็มีบทนาด้วยเพราะว่า ธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของเราชีวิตของเราต้องการหลายอย่างเราต้องการอาหารเราต้องการน้ําเราต้องการปัจจัยสี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ชีวิตรเราดําเนินอยู่ได้แต่มันเป็นการดําเนินในส่วนกายคนเราไม่มีแค่กายอย่างเดียวนะคนเรามีใจด้วย ถ้าเราสนใจแต่กายแต่เราลืมเรื่องจิตใจก็ทักษะว่ชาชีพขอเราเนี่ยมันมีแค่ครึ่งเดียวเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่เราถ้ามันมีแต่ลําต้นนะมันอยู่ไม่ได้ ต, ต้นไม้เนี่ยมันมีรากด้วยใช่ไหมต้นไม้ที่มีต้นแต่มันมีรากเนีย่ยมันไม่เรียกว่าต้นไม้หรือว่าก็อยู่ได้เพียงแค่ช่วงคราว คนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กายเรามีใจด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราให้ความสงสําคัญแก่เรื่องกายจนลืมเรื่องใจไปตื่นเช้าขึ้นมาเราล้างหน้าเราแปรงฟันเราอาบน้ําเราชรําระกายแต่เราได้มีเวลาชําระใจบ้างไหม เรากินข้าวเวลาสามมื้อเราเติมอาหารให้กับร่างกายของเราเวละหลายครั้งแต่เราเคยคิดที่จะเติมอาหารให้ใจเราบ้างไหมอาหารของกายคือข้าวน้ำปลาเนื้อผักอาหารใจคืออาหารใจคือความสงบการ ม, มีสติมีความรู้สึกตัววันหนึ่งเนี่ยเรา มองหน้าเราส่องกระจกมองหน้าตัวเองเนี่ยกี่ครั้งอัตมาว่าเป็นสิบครั้งนะจะเป็นกระจกในห้องน้าําหรือว่ากระจกที่้องติดตัวกระจกรถเราส่องกระจกดูหน้าดูตาของตัวเราแต่เราเคยส่องใจเพื่อจะดูอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างไหมเวลาเราเห็น ใบหน้าเรามีฝุ่นเกาะนะมีรอยเปื้อนเราก็เขมีขมันนะเช็ดถูทำความสะอาดให้หนักตาเราฟองใสแต่เวลาใจเราเนี่ยมีความหมุนหมองเราเคยสังเกตไหมเราเคยรู้ไหมแล้ว เ, เราเคยคเราเคที่จะทำความสะอาดมาหรือเปล่า วันนึงเนี่ยเรามีเวลาพักกายไม่น้อยเลยนะเพรเรานอนกี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งเนี่ยแปดหรือเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงมีไหะยัางน้อยาก็เจ็ดชั่วโมงใช่ไหม <c oughs> นี่คือพักกายและพักใจแหละมีบ้างหรือเปล่าเรามีเวลาพักใจบ้างไหม <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราใช้ใจคิดตลอดเวลาเรา ใช้ใจของเราในปรุงแต่งตลอดเวลาเราคิดตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาจะนอนก็คิดไอ้การคิดเนี่ยนะก็คือการใช้ใจทำให้ใจมันต้องทำ ง, งานหลับแล้วเนี่ยกายได้พักแต่ใจได้พักไหมไม่ได้พักนะฝันพวกเราฝันกันไะมกลางคืนนะเวลาเราหลับเนี่ยเราฝันแสดงว่าใจเราไม่ได้พักเลย บางทีเราฝันว่ากำลังวิ่งหนีวิ่งหนีคนที่กาลังไล่ล่าเหนื่อยหอบกายมันไม่ได้เหนื่อยนะแต่ใจมันเหนื่อย้างทีฝันร้ายอยากจะฝันเห็นแฟนเห็นคนรักแต่ไปเจอสิ่งตรงข้ามที่น่ากลัวใจไม่ได้พักเลยแม้แต่เวลาหลับตื่นขึ้นมาก็ฟุ้ง มันมีเสมอว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งนะพวกเราเป็นเี่นนะั้นกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งให้เราพักกายวันละหลายครั้งหลายชั่วโมงแต่เรามีเวลาทักใจบ้างไหมเรามีเวลาสำหรับการที่จะถ่ายเทของเสียไปจากกาย เข้าห้องน้ำเราก็ถ่ายระบายทั้งของเสียที่เป็นของเหลวของแข็งถ่ายถ่ายแล้วก็สบายแต่มันแค่สบายกายนะสนใจอะเราได้ถ่ายของเสียออกไปไหมความโกรธความเศร้านะความเกลียดความพยายบาทความท้าแท้ความรู้สึกผิดเราเคยคิดเหตุถ่ายเทมออกไปไหมจับใจของเรา เขามีการประมาณาคนเราเนี่ยอยู่ในห้องน้าประมาณวันหนึ่งประมาณชั่วโมงครึนะ่งอาจจะสองชั่วโมงทั้งอาบน้ำทั้งถูฟันทั้งถ่ายแต่งตัวทำหน้าทำผมแต่ว่าเราแทบจะไม่มีเวลาให้ทำอย่างนี้กับใจของเราเลยเยวนี้ก็มีการล้างพิษนะ ited? พวกเราทราบนะเขามีการ ล้างพิษโ ด, ดยการอดอาหารเพื่อที่จะล้างพิษออกไปจากจา ก, กายประมาณห้าวันเจ็ดวันเป็นความนิยมที่กำลังแพร่หลายกินข้าวน้อยแต่จ่ายเงินเยอะนะบางคลอสนี่เป็นสองหมืก็ไปล้างพิษกันแถวรีสอร์ทตามรีสอร์ทต่างๆก็มีเพื่อล้างพิษออกไปจากกายแต่ใจ่ะ เราได้ร่างควาหรือเราในเทนนิมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้นะว่าเาทุกวันนี้คนเราให้ความสำคัญกับกายมากเลยแต่ใจนี่เรามีเวลาให้กับมันน้อยมากสั้งที่มันสำคัญใครคชื่อว่าใจไม่สำคัญบ้านงะเวลาเรา อ, อกหักอนะ่ะมันหักที่ อ, อกหรือเ่านะร่างกายเราปกตินะแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหย หลายคนอกหักแล้วตัดสินใจฆ่าตัวตายเรื่องที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วดอะไรเลยแต่มันอยู่คนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจใจมันเหมือนกับว่าแตกร้าวใจสลายกายปกติแต่ใจสลายก็ทําให้หลายคนคนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตาย ป่วยกายเนี่ยน้อยคนที่จะข้าตัวตายนะแต่ถ้ามันป่วยใ จ, จเช่นใจสลายอกหักตรองใจเนี่ยตายได้นะทั้งใจสาคัญมากแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับใจเท่าไหร่เราเน้นแต่เรื่อง ก, กายชีวิทั้งชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเป็นไปเพื่อบบรุงกายเท้งนั้นเลยทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเงิน มาสื้ออาหาซื้อเสื้อผ้าเก็บเงินเพื่อซื้อรถเก็บเงินผ่อนเงินเพื่อซื้อบ้านทั้งหมดที่เนี่ยมันเพื่อกายใช่ไัมน่นะเพื่อความสะดสบายของกายวันนี้ก็คนเปรตาไปดูหนังฟังเพลงไปเต้นแต่ว่ามันไม่ได้ลราแท่จะไม่ได้ทำอะไรกับใจของเราเลยเพื่อบำรุง ถ้าเปี่ยเป็นต้นไม้นะก็เป็นต้นไม้ที่มีแต่ลำต้นแต่ไม่มีรากหรือมีรากที่ที่อ่อนที่ไม่ลึกใ้ต้นไม้แบบนี้เราคิดว่าจะอยู่ได้นานไหมมันจะทนแรงพายุได้ไหมแต่เราสังเกต น, นะในธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ที่สูงใหญ่เนี่ยมันจะไม่เคยมีรากที่เล็กที่ตื้น ต้นไม้สูงใหญ่ต้นโพต้นไซต้นยางต้นมะค่านะเป็นแต่กลายต้นเด็นเป็นสั ง, งาาแต่เรารู้หรือไม่ว่ารากเขาลึกมากเลยรากเขาลึกแล้วก็แผกกว้างและเพราะรากเขาลึ ก, ลกที่แผกกว้างนั่นทำให้เขาสามารถที่จะยัดยืนต่อแรงลมแรงพายุได้ และทำให้ที่มีรากลึกลึกก็ยิ่งทำให้ลาต้นเนี่ยมันชูสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอัตมาเชื่อว่าเราหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นสมองต้นไม้ที่มีลำต้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือว่ามีสถานะที่สูงเด่นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะมีสถานภาพที่สูงขึ้น เราอยากจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมจากหัวหน้าเป็นผู้จัดการจากผู้จัดการเป็นซ e o แต่ถ้าเราคิดที่จะไต่เต้าเพื่อให้ฐานะของเราสูงขึ้นแล้วเราลืมที่จะทำให้ใจเราอย่งางล่างลึกลงไป ให้ความสูงแต่งของเราก็จะเป็นของชโชคราภต้นมาที่สูงมากเท่าไหร่ก็เจอพายุแรงมากเท่านั้นคนที่เป็นหัวนหน้าคนที่มีคารับผชอบสูงเนี่ยนะเขาจะเจอภาระเขาจะเจอแรงกดดันมากพวกเราถ้าหากว่าเราเป็นพัก ง, งานผู้น้อยเนี่ยภาระหรือว่าแรงกดดันหรือว่าปัญหาเชื่อว่าจะน้อยกว่าคนที่มีฐานะที่สูงขึ้น ในสถานะเช่นนี้เนี่ยนะจะอยู่ได้จะมีความสุขด้วยเนยมันต้องมีฐานใจที่ลึกฐานใจที่ลึกเจอแรงลมเจอพายุเจอคำตีฉินินทาเจอคำวิภาควิจาร์ไม่หวั่นไหวมีความรับผิดชอบมากก็ใจไม่สลายหลายคนเนี่ยพาระ ง, งานเยอความรับผิดชอบมาก บอกว่าทำไปทำไปนี่ป่วยที่แรกป่วยการแตล่ลาป่วยที่แต่นี้เกิดจากความป่วยใจเครียดเครียดก็เลยทำให้ป่วยก็ทำให้อยู่ได้ไม่นานหรือว่าถูกวิภาควิจารณ์ก็เครียดนะอันนี้เรียกวเหมือนต้นไม้นะที่เจอแรงลมแต่เนื่องจากล่างไม่ลึก มันก็จะพังพื้นได้ง่ายบางคนรับภาระเยอะไม่ไหวข่าตัวตายเอ้ยตำวเราต้องการความเจริญก็น่าในชีวิตเราต้องการต้องการความสำเร็จนะต้องการความสุขเราจะเอาแต่ทำมาหากินอย่างนี้ไม่พอ เราต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงจิตใจของเราด้วยนะบงจิตใจเราให้ให้มั่นคงเหมือนกับต้นไม้ที่อย่างรักลึกเมื่อํัเสร็จว่อปีก่อนเนี่ยประมาณสักปี40เนี่ยที่วัดแทงนึ่ในนคราฐมนะปัดวันนี้เขามีชื่อเพราะว่าเขาเขา สร้างทูบที่สูงที่สุดในโลกทูบที่สูงที่สุดในโลกวงน30กว่าเมตรสมัยกอนเนี่ยคนไทยชอบทําอะไรที่มันประเ้ยสูงที่สุดใหญ่ที่สุดหลวงพ่อโตใหญ่ที่สุดหลวงพ่อทวดใหญ่ที่สุดวัดที่นครปฐมเนี่ยสร้างทูบที่สูงที่สุดในโลก 30-40 เมตรเพราะว่าวันหนึ่งลมพายุพัดพังครื่ลงมาคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าสร้าง ผูสูงเกินไปแต่ทำไมาว่าไม่ใช่หรอกตึกที่สูงกว่าร้อยเมตรก็มีทํำไมไม่ทําคลื่ลงมาไอ้ท่วมนี่ยที่าัเครื่นงมาเนี่ไม่ใช่เพราะมันสูงไปแต่เพราะมันไม่มีฐานลากมัไม่ได้เมื่อสักกี่เสาร์ปีก่อนเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เกิดหรือยังนะมันเคยมีขา่าวที่โคราชตึกโโรอยัลพลาซ่าพังลงมาเคยได้ขานะ่าวไหม รอยยอพราซ่าพังมาทั้งตึกเลยนะคนตายหลายร้อยเป็นข่าวใหญ่มากเลยทั่วโลกดังมากมันทาเ พ, ออนะเพราะอะไรฮะเพราะ่าต่อเติมเสริมต่อเติมเสริมชั้นไปเรื่อยเโดยที่ไม่ไม่ไม่ขออนุ ญ, ญาตลักลอบต่อเติมแต่ฐานเนี่ยมันเท่าเดิมฐานเนี่ยมันยังเหมือนเดิมแต่ว่าต่อเติมตัวตึกตั ว, ตวอาคารไปสูงสูงไปเรื่อยเรา่บว่าในสุด ฐานมันรัไม่หวัก็พังคือลงมาคนเราก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยถ้าฐานใจไม่ไม่มั่นคงไม่ยางลึกนะมันก็พังลงมาได้ง่ายนะถึงแม้ว่าจะจบปริญญาเอกถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงแต่ถ้าฐานใจไม่ลึกหรือไม่มั่นคง ชีวิตมันย่อยยับได้ง่ายพังคือลงมาได้ง่ายเพราะเราจำหรือได้ยินชื่อหมอวิสุทธิ์หมอวิสุทธิ์บุญเกษรสังติไหมเคยได้ยินไหมหมอวิสุทธิ์เนี่ยแกโดนข้อหาอะไรเมื่อสิกบกปีก่อนแกโดนข้อหาข้าภรรยาถูกตัดสินปรหารชีว์หมอวิสุทธิ์เนี่ยเป็นหมอที่ เป็นหมอสุตินารีแพทย์ที่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียในด้านการทํากิฟต์กิฟตี่รู้ใช่ไหมฮะเด็กหลอดแก่ใครอยากมีลูกเนี่ยถ้าต้องการชัวร์มีลูกเนี่ยไปหาหมอพิสุทธิ์ติดอันดับหนึ่งในเอเชียในด้านการทํากิฟต์ทั้งชื่อเสียงทั้งเงินนะเพราะว่ารวยเพราะว่าทํากิฟต์แต่ละทีนี่มันเงินเป็นแสนนะเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์แพทย์ แล้ววันหนึ่งก็พระว่าส า, ารประจัเป็นคาตกรตัดสินประหาชีวิตชีวิตที่มันสูงนะตกตางมาเลยการเป็นฆาตกรนักโทษประหารชีวิตแต่โชคดีได้รับการได้รับการอภัยโทษเหลือจำตลอดชีวิตและตลอดก็ถูกลดโทษไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ออกมาแต่คนที่ไม่เห็นาัคนนะ จากคนที่มีอนาคตเนี่ยแล้วการอยูนี้อนาคตต่ำกว่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะความลูกแก่โทสหมอสันติเอามอวิสุทธิเพื่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอเพราะเขถอนใบอนุญากเป็นนายวิสุทธิธรรมดาแกให้สัมภาษณ์เมือเร็เรวๆนี้ว่าเมื่อใครคนชีติตันธนมาแกชื่อเสดายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาแต่ทุ่มเทรเรื่องงานการ ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมในหัวเนี่ยมีแต่เรื่องงานวิชาการมีแต่เรื่องงานสอนงานบรรยายเรื่องการทำวิจัยการรักษาคนโดยที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเรื่องการคลองสติแกมาพบ ว, ว่าไอ้สิ่งเรานี้สำคัญกับวิชาความรู้สิ่งเรานี่คือแหละปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจการคลองสติ แกเพิ่งมาเพราะว่ามันสําคัญอยู่ในสาขา ว, วารู้แต่ว่าั้าแกกลับเป็นหนุ่มได้เนี่ยแกจะหันมาสนใจปฏิบัติธรรมมากทำมาสนใจฝึกสติมากขึ้นไม่ใช่มารอทําตอนแก่อย่างดีนั่นที่แกมีโอกาสได้ได้แก่นะเพราะว่าถ้าแกไม่ไม่ถูกลดโทษแกตายไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมาปฏิบัติธรรมตอนนี้แกหันมาสนใจปฏิบัติธรร ม, มากขึ้นเพราะแกรู้แล้วว่า สติที่สําคัญมากาการที่แกไม่มีสติมันทําให้ช่วยแกนเนี่ยตกต่ําดิ่งลงเหวไปข้ามเมียเนียเมียก็เป็นหมอคนธรรมดาข้ามเมียได้ยังไงคนที่มีความรู้สูงเป็นศาสดาจารย์มีความรู้มีเงินทองมากมายข้ามเมียได้ยังไงอารมณ์ชั่วงวูบจงอยู่ในอารมณ์อาจจะไปชอบผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เมียที่ขัดขวาง นี้ตบาก็ไม่ทราบละเอียดนะแต่ที่น่าคือแกหมดแกเสียสติไปแกไม่มีสติแลแ้วเดีวก็หมดทำลายชีวิตของเองใหย่อยอยับแถฉไปทํำลายชีวิตคนอื่นด้วยแกบอกเนี่ยไอ้สิ่งสำคัญคืชา่า ง, งความรู้ถ้าสนใจความรู้คือมันสําคัญกว่าเงินทองด้วยซ้ําเงินทองที่แกมีตอนที่มันหมดไปแล้ว สติสําคัญมากนะครับถ้าเรามีสติครองใจเนี่ยใจเราก็จะมั่นคงใจเราก็จะหนักแน่นเราจะเหมันก็บตึกที่มีฐานที่มั่นคงจะต่อเติมกี่ชั้นกี่ชั้นนะมันก็ไม่พังถ้ากว่าเราไม่ได้ต่อเติมแต่ตึกเราไม่ได้ต่อเติมแต่ชั้นแต่ว่าเราต่อเติมฐานด้วย การเจริญสติการปฏิบัติธรรมนัคือการต่อเติมฐานใจให้เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็อย่างลึกขณะที่เราพู่ไปข้างหน้าเราต้องอย่าลืมกลับมาที่ใจของเราเสมอเวลาเวลาเวลายิงธนูนะพวกเราตอนเด็กๆจะเคยยิงธนูเล็กๆนะ เวลายิงธนูเนี่ยนะเราต้องใช้ธนูเนี่ยลูกธนูพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเราทํำยังไงฮะเราต้องดึงธนูกลับมาข้างหลังยิ่งเราดึงดึงธนูกลับมาข้างหลังดึงลูกธนูกลับมาข้างหลังเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าไเร็วขึ้นชีวิตเราเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันพุ่งไปข้างหน้าเราต้องกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่กายที่ใจของเราเสมอนารดึงข้อใจ ถ้าเราเอาแต่เพิดเพลิในสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าจะเป็นรูปลดเกินเสียงและเราลืมใจของเรานะ <c oughs> เราก็อาจจะทุกได้ง่ายเราจะทำร้ายตัวเองได้ง่ายเราจะถูกกิเลสครองงาติดใจและทําให้เราทำในสิ่งที่เลวร้ายกิเลสเช่นความโลภ ค ว, growth, ความโกรธความหลมความหลงนี่มามีงความเมามาเป็นต้นเวลาเราเดินทางเนี่ยเราต้องทังรถรถเนี่ยนะมันจะพาเราไปข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องมีคันเร่งใช่ไหมแต่รถที่มีคันเร่งมันอยากขึ้นไหมถ้ามันไม่มีเบรก รถจะพุ่งไปข้างหน้าได้เนี่ยมีคันเร่งอย่างเดียวไม่พอนะรถจะพุ่งไปข้างหน้าพามันไปถึงจุดหมายได้เนี่ยมันต้องมีเบรกจะเป็นรถยี่หอ้อเบนโวสโตรอยนะฟอร์ดพอเช่ก็ตามเนี่ยถ้ามีแต่คันเร่งไม่มีเบรกเนี่ยคุณนั่งนะตัวงพ่คุณจะไม่นั่งเลยหลวงพ่คุณล็อกแมวเอไอ้ก็ขี่ลงมืเนะบรกเนี่ย ในชีวิตเราเนี่ยจะมีแต่คันเร่งไม่ได้มันต้องมีเบรกด้วยมันถึงจะไปจุดหมายข้างหน้าได้สตินี่คือเบรกสตินี่คือสิ่งที่คอยเตือนนะไม่ให้คุณทำอะไรตามใจอารมณ์ไม่ทำตามอารมณ์เห็นผู้หญิงสวยอยากจะเข้าไปลวนลามเขาเพราะเกิดราคะขึ้นมา คือทำแบบนี้ก็เสร็จนะถูกตองรอจับถูกจับก็รนรามันทำอะไรมากกว่า น, นั้นเพราะห้ามใจมี้นะัดชอทนี่ก็จบเลยนะอายุยี่สบี่ายุี่สิบห้าติดคุกข้อหาไปกระทำชำเราผู้หญิงเพราะว่าห้ามใจมี่เพราะว่าถูกผลักไปตามอารมณ์อารมณ์ราคาเห็นของเห็นเงินเห็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไนแพดวางอยู่ ไม่มีเจ้าของหรือว่าเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนเขาลืมไว้เขาวางเอาไว้อาจจะเป็นเงินทองด้วยซ้าอยากได้กำลังร้อนเงินอยากได้เงินไปซื้อโทรศัพท์อยากได้เงินไปซื้อ iPad อยากได้ p h o n e 6ความรลกมันเกิดขึ้นห้ามใจไม่ก็ไปขโมยถูกจับได้ถูกเจ้าน้ายจับได้ถูก ตำรวจจับได้เป็นไงฮะติดคุกอนาคอตด์คุกเลยนี่เพราะอะไรฮะเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีเบรคมีตะคันเล่นแล้วปล่อยให้คันเล่นเะนี่ยปล่อยให้คนที่เหยียบคันเล่นเะนี่ยเป็นตัวกิเลสเนนะี่ยตัวกิเลสถ้ามันเหยีบคันเล่ง น, นะจะเป็นความโรคก็ดีหรความโกรธก็ดีตายนะโกรธ โมนิโกรดสามีโมนิโกรดภรรยาโกรธเพื่อนลูกแก่โทรสาหาัสแจ่ายู่ทำร้ายต่อยหรือว่าเอาปืนยิงเมื่อวานนี้วันนี้ได้ข่าวนะั้นมีพระอายุห้สิามยิงผู้หญิงอายุี 53, ย่สิบห้าปีตายเป็นพระนะแต่ยิงเด็กอายุี่สิบห้าเพราะว่า หลงรักเด็กแล้วก็เด็กไม่ไม่มีใจด้วยโกรธนะเป็นพรากพวกปืนนะแล้วก็ยิงเด็กตายหมดเลยนะถูกจำศสึ ก, กะดับข้าวตากว่านั้นเพราะความโกรธความโกรธห้ามใจไม่ยิงแล้วฉลาดนี่อ่ะ การที่เรากลับมาที่ใจเราอยู่เสมอกลับให้ความสัมกับจิตใจของเราอันมาเติมสติตให้กับใจเพื่อให้ใจของเรานี้มีเครื่องรักษาที่สำคัญมากส ต, ติที่เรามีเนีย น, นะทุกคนก็มีสติตทั้งนันนะทาให้นอนวายไม่สงบสลาย แต่ว่าสติที่เรามีมันไม่พอเวลาเจออะไรมากระตุน้นเห็นสิ่งที่เย้ายวนเกิดความโรคเกิดราคะขึ้นมาสติที่มีเอาไว้อยู่เวลาเกิดสิ่งที่ยั่วยุขึ้นมาถูกคนด่าว่าดูถูกเจดจามโกรธ สติที่มีมักจะไม่พอนะนเรื่องราวที่เราเห็นตามความรู้สึกผิดหรือว่าในรายการของสรีตุสุทศัศน์จินดาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องคนที่ล้นแต่ขาดสติสติไม่พอที่จะรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ปกติเนี่ยเวลาสติไม่พอทำอยังไงฮะอาจจะมีคนช่วยเตือนสติช่วยเตือนสติมีเพื่อนช่วยเตือนสติมีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ ทากงกรุงเทพเนี่ยแถวสวนผักมีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งผู้ปกครองก็รู้แต่มีฐานะมีเงินมีทองไปข้าราชการไปนักธุรกิจเวลาเริ่มเรียนเนี่ยจะมีรถเป็นร้อยคันเนี่ยมาจอดเพื่อที่จะรับลูโจนทั้ทงโรงเรียนเนี่ยต้องจัดระเบียบการจราจรเช่นให้รถ รับรถวันเวยเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งมีผู้ควางจึงเป็นนายทหารแกที่เกียดที่เกลียดต่อคิวแล้ว ก, กลัวว่าจะไม่มีลานจอดรถแกก็เลยเข้าเป็นเข้าทางออกเข้าทางประตูออกก็โชคดีมีที่จอดรถว่างอีกคันคนนี่แก็เสีย เข้าไปจอดตรงนั้นแต่ปรากว่ารถอีกคันซึ่งมาตามกฎนะเข้าเข้าทางประตูเข้าเนี่ยเขาก็เล็งที่จอดรถตรงนั้นเหมือนกันแต่ปรากว่าพอนายฐานคันนั้นเนี่ยจอดรถไปเสียบเนี่ยันเข้าไปจอดรถตรงนั้นเนี่ยผู้ปกครองอีกคนหนึ่ก็ไม่พอใจลงจับรถมนต่อว่านายฐานก็ถามวอกคุณรู้ไหมผมเป็นใคร ผู้คอกวจะบอกผมไม่สนใจใครคุณเนี้ยมาผิดคุณทำคุณทาผิดกฎจราจรท้องเรียนก็ต่อว่าอยู่นิดหน่อยนะในทางนั้นโกรธมากเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครมาต่อว่าเลยแบบนี้มา ก, ก่อนทนะหารเนี่ยระดับยศพันเอกเนี่ยนะรู้สึกถูกเกจียดยางมากนะทำไงแบแบคว้าปืนเลยนะ แล้วก็ลงจากรถเดินตามผู้ปกครองวันนั้นซึ่งไม่รู้ตัวกำลังเดินกลับไปที่รถไม่รู้เลยว่านายทานคนนั้นเนี่ยเดินตามมาดถือปืนเราคุณทิพยาพออกน ะ, ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เอิญเนี่ยในเหตุการณ์มันมีพนักงานขับรถของโรงเรียนเห็นเหตุการณ์เนี่ยนพนัก ง, งานขขขงงเขาก็พูดว่าแกก็เป็นพลเมืองดีนะ แต่ก็รู้ว่าของอันนี้เนี่ยต้องอยู่เฉยไม่ได้ลก็เข้าไปแต่เราคงทราบใช่ไหมรับพลเมืองดีหลายคนเนี่ยเจ็บตัวเพราะว่าไปห้ามอาจจะไม่ถูกวิธีก็อาจจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งยิงหรือทำร้ายการเป็นพลเมืองดีบางทีก็ต้องมีอุบายมีวิธีการ และการของรุงนที่แกก็เป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันนะถึงแม้จะเลวไม่สุงแต่ว่าเป็นคนที่มีก็เลยมีความฉลาดทางอารมณ์มีความเข้าใจคนก็ไปที่เดินไปที่น า, ายทหารคนนะั้นซึ่งกาลังถือปืนแล้วก็เอามือแตะเบาๆที่แขนแล้วก็พูดกับนายทั้งท่านครับท่านมาแล้วรูปไม่ใช่เหรือครับแกไม่ได้บอกว่าอย่าทําอย่าทํานะ อยา่าห้ามนะเพราะถ้าห้ามเนี่ยกลับกลายเป็นการยุยิ่งทำให้นายทหัรโกรธอาจจะมายิงยิงพลเมืองดีแทนแต่แกไปเตือนไปเตือนสติท่านครับท่านครับทำไมารับรู้ไม่ใช่หรือครับน่าจะต้องได้สติขึ้นมาเลยนะเพราะว่าความโกรธเนี่ยนะซึ่งมันมันเผาลุจิตใจที่พร้อมจะยิงหรือทำร้าย ผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยมันหายรูปไปเลยได้สติขึ้นมานี่มันความโกรวมันหายไปเลยนะพอได้สติตนั้นนึกถึงลูกขึ้นมานะเลิกทันทีหยุดเดินเลยกลับไปที่รถเอาปืเก็บได้ทางนั้นเกิดเป็นฆาตกรว่ะถ้าไม่มีคนเตือนสเติแต่พอมีคนเตือนสติปุ๊บเนี่ยนะมัน ไอ้ความโกรธที่มันมันหายวูกไปเลยรู้ตัวทันทีว่ากาลังทำอะไรหยุดเลยนะอันนี้เรียกว่ามีเบรคติดเบรคทันทีเลยกลับไปเอาปืนเด็กแล้วก็ไปรับลูกคนส่วนใจเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสติที่ตัวเองมีเอาไว่อยู่มันต้องอาศัย คนอื่นมาช่วยเตือนสติวพวกเราก็มาคงได้เพื่อนมาช่วยเตือนสติเยอะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะอาจจะหลายครั้งที่เราคิดอยจะไปตกลงปอนกัคนอื่นแต่เราพอมีเพื่อนมาเตือนสติเราก็เลยตึก ไ, ได้ก็ไม่ทําแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนละ่ะถ้าเกิดไม่มีพลเมืองดีเนี่ยจะทําอย่างไรมีการเฆาตกรไปแล้วหรือมีกลายเป็ น, น, ป น, ป น, ปนผู้ร้ายไปแล้วหรือ เราจะต้องมีสติของเราเองสติของเราต้องแข็งแรงต้องรวดเร็วต้องเฉียบไวมากพอที่จะสามารถจะเตือนใจเราไม่ให้ลูกแก่โทสะไม่ให้กิเลสครอบงำไม่ให้ทำตามความฝ่ายต่ำเราจะมีสติอย่างนั้นได้อย่างไรนะเราก็ต้องกลับมาดูใจบ่อยๆกลับมาดูใจบ่อยๆ อย่าเปมองอย่าเปมัวแต่มองออกไปนอกตัวอย่าเปมองแต่คนอื่นกลับมาดูใจของเราถ้าเมาื่ตามที่เราลืมกลับมาดูใจเราก็จะเผลอทําอะไรก็ได้เมื่อเราเคยได้ยินเรื่องราวพระสี่รูปไหมฮะพระในประเทญี่ปุ่นเนี่ยสี่รูปเนี่ยตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิโดยที่ไม่พูดไม่จากันเลย และการ น, นั่งสมาธิของพระญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนั่งหันหลังหันหน้าเข้าหาข้างฝั่งนะแล้ก็นั่งเรียงเป็นแถวตั้งแต่ว่าจะไม่คุยอย่ประมาณสามวันก็สามารถใช้นั่งสมาธิอย่างสงบโดยไ ม, ม่คุยกันเลยจนวันแรกนั่งสมาธิสงบจนกระทั่งถึงเวลาข้ามไม่คุยกันเลยแล้วก็พอถึงพอตบตึกเนี่ย เดินเสียงกุกกับ ก, ก, กับที่วิหารพระรูปห่ก็เลพูขึ้นมาว่าท่านล็อกประตูวิหารหรือเปล่าพูดขึ้นมาเลยนะท่านล็อกประตูวิหารหรือคือคงกลัวคงคงจะมีใครเข้าไปในวิหารพาะรูปกนคนพูดมาท่านล็อกประตูวิหารหรือเ ป, ป, ปล่าพระจิตรที่สองเลยบอกว่า เพาท่านลืมไปเลย้อห้ามพูดเราตัวเราห้ามพูดรูที่สามก็เลยบอกเนี่ยแล้วท่านสองตนพูดทาไมส <c oughs> ักพักพระรูทิศสี่ก็พูดมาว่าเนี่ยพวท่านนี่แย่หมดเลยคุยหมดทุกคนเลยยกเว้นผมตกลงใครแย่ที่สุดนะตกลงใครแย่ที่สุดนะฮะพระรูทิศสี่วันเนี่ยท่านพทานแย่หมดเลยนะคุยนทุกคนเลยยกเว้นผม เขาลุ้ที่สีเนี่ยนะอวดอยากต้องการอวดว่าตัวเองเนี่ยสงบได้ไอ้สามคนเนี่ยพูดหมดเลยนะแต่ฉันไม่พูดเลยอยากจะคุยโม้อยากจะอวดว่าเนี่ยฉันเก่งกว่าคนอื่น <c oughs> ก็เลยเิดตัวพูดขึ้นมานะทำไมคนที่สีเนี่ยถึงพูดอย่างนั้นนะก็เพราะลืมตัว ลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสติความความอยากจะโชว์ความอยากจะคุยโม้มันมีอยู่ในใจแล้วลืมไม่เห็นอาการอยากจะคุยโม้ว่าฉันแน่กว่าอีสามคนที่เหลือไอ้สามคนที่เหลือเนี่ยคุยหมดเลยฉันไม่คุยอยากจะคุยโม้ก็เลยเพ้อพูดออกมา อันนี้เรียกว่าอะไรลืมตัวเพราะไม่มีสติไม่กลับมาดูใจของตัวนั้นถ้ากลับมาดูใจตัวมันจะเห็นนะความความอยากจะคุยโม่พอเห็นความอยากจะคุยโม้เนี่ยนะมันก็พอเห็นแล้วเนี่ยมันก็วางได้คนที่สี่เนี่ยรวมทั้งทุกคนด้วยนะมองคนอื่นมองนอกตัวแต่ไม่ได้กลับมาดูใจของตัว ไม่ได้กลับมามองตนมันก็เลยทําความผิดก็เลยทําทําความผิดพลาดไม่แต่เด็กคนอื่นนิถานเรืงนี้สอนว่าอย่ามัวแตนะ่มองหรือเพ่งทั่วคนอื่นให้กลับมามองใจให้กลับมามองตนด้วยเมื่อใดก็ตาที่คุยกลับมามองตนเนี่ย อันนั้นแหละที่คุณจะเปิดทางให้สติเข้ามาคนเราถ้าไม่มีสติไม่เพียงแต่ทำอะไรทำอะไรเฉยๆหรือว่าทำในสิ่งที่เสียหน้านะแต่ว่ามันยังสามารถจะเปิดทางให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใจได้ด้วยเวลาทุกกายนี่นะ อาจจะทุกข์เพราะว่าแดดร้อนทุกข์เพราะว่าชมอีมันแข็งอาจจะทุกข์เพราะเชื้อโรคมาเล่นงานแต่ทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะอะไร ไม่ใช่เป็นเพราะใครคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยไปเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาเล่นงานจิตใจหลายคนบอกเที่ทุกข์เนี่ยเพราะคนอื่นมาด่าว่าฉันทุกข์เพราะคนอื่นเนี่ยมากลั่นแกล้งฉันยืมเงินแล้วไม่คืนแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นะนอกจากใจเราเองไม่มีใครข โ, โมยความสุขไปจากใจเราได้นอกจากเราเปิดช่องให้เขามาข โ, โมยอาจารย์เชาซาโลนิเป็นภาพฝรั่งนะท่านมาปวดกับหลวงพ่อชาสามสิบกพรรษาแล้วท่านพูดน่าสนใจท่านบอกว่าไม่มีใครรู้สิ่งใดมาทำให้เราทุกข์ได้ไม่มีใครรู้สิ่งดใ ด, ม, ม, ใรรงดมาบังคับให้เราทุกข์ใจได้ มีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราทุกมีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขามาเชิญเราเราไม่รับคำเชิญก็ได้แต่ถ้าเรารับคำเชิญเราจะโทษใครคนที่เขาพูดต่อว่าด่าทอเรา ถ้าเราไม่เก็บเอาคําพูดของเขาเนี่ยมาคุ้นคิดมาตอบย้ําซ้ําเติมใจเราเนี่ยเราจะทุกข์ไหมเขาพูดเราได้ยินหูซ้ายปล่อยให้ทะลุหูขวาเราทุกข์ไหมแต่ที่ทุกข์เพรอะไรนันทุกข์เพราะว่าไปเก็บไปเอาคําพูดของเขาเนี่ยมาคิด ้ำแล้ว้ำเล่าไม่ตายจากการเอามีดมักรีดใจเราเวลามีมีเศษแก้วคุณถือเศษแก้วไว้ในมือเนี่ยหรือว่ามีดโกนบางๆอยู่ในมือเนี่ยมันทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้ แต่ถ้าคุณกรรมแล้วบีบกำและบีบเนี่ยตรงนั้นแหละที่มือคุณจะเป็นแผลมันจะเลือดคุณก็จะไหลแต่ถ้าคุณไม่ไม่กรรมไม่บีบเนี่ยไอ้มีดโกนนั้นหรือว่าเศษแก้วมันไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเลยมีดโกนหรือเศษแก้วนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคําพูดของใครบางคน ถ้าคุณไม่เก็บเอามาคิดคุณก็ไม่ทุกข์ถ้าคุณไม่เอามาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองเนี่ยจิตใจก็ไม่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโทษใครจะโทษเศษแก้วโทษมีโกนเทศโทษตัวเราเองที่ไปไปผีไปกรร ม, มเอาไว้ก้อนหิน มันหนักแค่ไหนถ้าคุณไม่แบกเนี่ยคุณก็ไม่ทุกข์มีนายตำรวจคนหนึ่งขึ้นชื่อว่าซื่อสัสตริงมากแต่ว่านายตำรวจที่ซื่อสัสตริงเนี่ยมักจะเป็นแกะดำเสมอที่จริงเป็นแกะขาวท่ามการแกะดำแต่ตัวรคนนี้เนี่ยก็มีความทุกข์มากเพราะว่า ถูกคนถูกเพื่อนด้วยกันกลันแกล้งตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อนไม่ได้ความดีความชอบเลยเจ้านายก็ไม่ปลดปลานกลันแกล้งวันนึงก็เลยไประบายกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสุภัทโทนะอันนี้เมื่อสาสิบปีที่แล้วหลวงพ่อก็ฟังอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ว่าอะไร แล้วท่านก็ในตลอดท่านก็ร ะ, ะบายเป็นสามสิบสี่สิบนาทีผมก็ช้าก็ฟังฟังอย่างเดียวเจอนั้นระบายจบผมก็ช้าก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่บนลางหน้าปกติท่านเราก็ทำที่ก้อนนั้นเนี่ยหลักไหมหนักเท่าแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับถ้าแบบไม่ไหวจะแบกไปทําไม นายตัวมันได้คิดนะได้สติเลยได้สติแลนะ้วเนี่ยที่เดือทุกข์ก็ไปแบ่เแ็นแบบ่ง เ, บบเาไว้เพียงแค่ปล่อยมาจากใจก็ไม่ทุกข์ความทุกข์ของนายตัวคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคนโน้นคนนี้ไม่ใช่เป็นเพราะลูกน้องไม่ใช่เป็นเพราะเพื่อนโรงงานไม่ใช่เป็นเพราะเจ้านายไม่ยึดธํา แต่จริงๆเป็นพ่อตัวยองเป็นแบกเอาไว้ไปแบกเอาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ยอมกล่อยไม่ยอมวางในเมื่อแบกไม่ไหวแล้วแบกไปทําไมถ้าแบกเหมือนก็อย่าแบกสิแต่ทาไมแบกนะพ่อลืมตัวเพ่อไม่มีสติถ้าคุณลืมตัวคุณไม่มีสติเมื่ อ, อไหร่เนี่ยคุณก็จะไปหยิบช่วยเอาความทุกข์ต่างๆที่เป็นเรื่องราวในอดีตบ้างอนาคตบ้าง เพื่อนที่เขาด่าว่าคุณเขาก็เขาอาจจะลืมไปแล้วเพราะเขาพูดอะไรเพราะมันผ่านไปเป็นอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนแล้วแต่คุณยังทุกอยู่เลยเพราะคุณแบกใช่ไหมเพราะคุณเป็นกรรมใช่ไหมเงินหายโทรศัพท์หายไม่รู้เป็นของใครไปแล้วนะแต่ทําไมยังทุกข์ก็ยังคิดถึงมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง ของที่หายไปแล้วก็ต้องปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อย้วคุณทุกข์ไดตายจากคนที่นั่งเรือแล้วก็มีมีเหตุมสมบัติอยู่บนเรือแล้วจู่ๆเกิดมีพายุเรือพลิกคว่ำเหุ่สมบัติมันตกลงทะเลเราหววแหงเหุ่ทรัพย์สมบัตินั้นมาก ไมอยาให้มันจมลงทะเลก็ไปกอดมันเอาไว้พยายามที่จะหาทางที่เอามันขึ้นมาออกจากขึ้นลงมากับให้เอามันขึ้นเรือให้ได้แต่ว่าเห็ดสมบัติก็ยิ่งดิ่งลงไปในทะเลมากขึ้นถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะจมลงไปในก็จมลงไปในทะเลเพราะว่าเห็สมบัตินะั้นคนฉลาไม่ทําพราะคนชล า, ชลาเขามีแต่จะต้องปล่อยเห็สมบัตินะ้เสียแต่ทรัพย์แต่ว่าเอาชีวิตรอด อาพวกเราเนี่ยเวลาเงินหายเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาตัวก่อนนะแต่เราเอาใจไปยึดเอาไว้แล้วเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยเราก็ไม่ทุกข์แต่ทําไมถ้านั้งที่กอดทั้งนที่ทุกข์ก็ยังกอดมันเอาไว้เพราะไม่มีสติแล้วคุณเห็นไหมว่าสติมันสําคัญมากเลยนะไอ้ที่คุณทุกข์ใจทุกวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าร้อยท้องร้อยเป้อเพราะว่าไม่มีสติ คุณไปหมกมุ่นคุ้นคิดกันเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีมหรือไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไปกังวลกับค่ารถที่ยังไม่ได้ผ่อนค่าชอา บ, บ้านที่ยังไม่ได้จ่ายหรือว่ า, เ, าเงินผ่อนบ้านที่ไม่รู้ว่าจะมีเงินผ่อนได้หรือเปล่าเดือนหน้าหรือบางทีก็กังวลว่าลูกจะสอบเข้ามหาทยาลัยได้ไหมลูกจะเรียนต่ออย่างไร บางคนหมอรักวิธีใช้หมอให้ไปรับคำวิธีใช้อีกสามวันข้างหน้าไปตรวจสุขภาพหมอนัดอีกสามวันข้างหน้ามาไอตอนที่ยังไม่รู้ว่าวิธีใช้เนี่ยก็กังวลละกังวลตีตันไปก่อน่ายมาเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นเอซหรือเปล่ามันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าทุกสกอรนะ์ล อันนี่เราทุกข์เพราะสิ่งที่มาไม่ถึงไปคิดมันล่วงหน้าคิดแล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วทาไมคิดเพราะไม่มีสติสติที่มันช่วยทําให้คุณเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันทําให้คุณวางอดีตแล้วก็วางเรื่องที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงเอาไว้ก่อนสติทําให้คุณอยู่กับเนื้อกับตัวทําให้ใจคุณอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาคุณขับรถอย่างมีสติเนี่ยนะคุณไม่นเลยคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ย คุณจะขับรถไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยคุณจะพาคุณจะพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยแต่ทุกคุณไม่มีสตินะใจคุณลอยคุณนึกถึงลูปนึกถึงพ่อแม่นึกถึงแฟนที่ทิ้งคุณไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือนึกถึงค่าเชอา บ, บ้านค่าขับรถที้รู้จะหามาจากไหน ออกคิดแลกังวลขับรถไปนะใจไม่อยู่กับเส้นประตัวอาจจะชนเด็กอาจจะเฉียวชนรถคันอื่นหรือคุณอาจจะลืมผู้โดยสารที่คุณพ า, มาเมื่อสามสี่ปีก่อนเ น, นี่ยมีนเทกรัมนตรีคนหนึ่งนะ ในเทสตมนเรนี้ทุกวันแม่จะไปที่ทํา ง, งานแล้วก็เพื่อนบ้านเี่ยจะขับติดรถไปด้วยเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีลูกเล็กประมาณสองสามขวบจะลูกเอาลูกไปส่งที่นอสเทอรี่โรงเรียนรูปบา้านซึ่งอยู่ใใกล้กับเทศต์แมแม่ของเดเป็นเพื่อนบ้านของในเทสต์แมนเร์ก็ติดรถไปทุกวันวันหนึ่งแม่ไม่ว่าก็เลยฝากลูปเอาไว้ ให้หนายเทสมันตรีเนี่ยช่วยไปส่งที่นสซอรี่ให้หน่อยแล้วสสันต์ีก็ไม่อยู่ลอนไธอยู่แล้วเพราะทำาิท้ทุกวันวันนั้นมีประชุมของเทศบาลแล้วก็ลถดูดเหมอนจเต็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ขับรถเนี่ยแกก็นึกถึงนึกถึงายเฟสันตรีแล้ก็นึกถึ ง, ง, ถ ง, ง, ถ ง, ง, ถงเรื่องการประชุม พอขับรถถึงเทศบาลแกก็รีบลงจากรถแล้วก็รีบขึ้นไปประชุมเพราะมันสายแล้วเนื่องจากรถติดประชุมจนถึงเที่ยแล้วก็ทางนานต่อสี่โมงเนแกก็ลงมาจากเทศบาลจะกลับขับรถกลับบ้านนึกขึ้นมาได้ว่ามีเด็กอยู่หลังรถอยู่บอดหลังรีบเปิดประตูไปเด็กตายแล้ว เพราะว่ารถเนี่ยมันจอดอยู่ข้างถนนโดนแดดส่องทั้งวันเด็กตายทำไมเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมแกลืมเด็กเพราะว่าตอนขับรถใจแกไม่อยู่เหมือนกกับตัวใจแกคิดถึงเรื่องการประชุม ตัวอยู่บนรถแต่ใจเนี่ยไปอยู่ที่เทศบาลพอถึงเทศบาลแ ก, ลกรีบลงจากรถไปประชมุมถ้าตัวถ้าใจแกอยู่กับนกับตัวนะแกก็จะรู้เลยนะว่ามีเด็กอยู่ข้างหลังเบาะหลังอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะใจลอยเนี่ยใจลอยนี่เรียกว่าลืมตัวใจลอยนึ่ถึงงานไม่ได้นึกถึงิ๊เมื่ได่นึกถึงอะไรเลยนึกถึงงานแต่ว่ามันผิดที่ผิดทาง แล้วคุณขับรถแล้วคือเรื่อมตัวนะอาจจะเกิดโศงนาตการรมแบบนี้ก็ได้มันก็พนักงานขับรถที่เอานักเรียนไปส่งที่รับเด็กจากบ้านไปส่งที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่าลืมเด็กอ้อยคนหนึ่งเด็กมันหลับหลับดอยู่ที่หลังบอกคนขับตรงแทกนั่นแหละ นึกว่าเด็กเนี่ยกับไปส่งที่โรงเรียนหมดแล้วก็เลยเอารถไปจอดไว้ที่ข้างทางครูก็นึกว่าเด็กไม่มาโรงเรียนก็ไม่ได้มีการสอบถามปรากฏว่าเด็กถูกไฟถูกแดดเผาเนี่ยจนกทั้งขาน้ำตายอันนี้เราคงได้ยินข่าวบ่อยใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะ เพาความลืมตัวของคนขับรถความหลงลืมนั้นเป็นถ้าเพงแต่เรามีใจอยู่กับปัจจุบันมีสติของปัจจุบันเนี่ยนะั้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวจะไม่ลืมอะไรง่ายๆพวกเราซึ่งเป็นบางคนเป็นพนัก ง, งานขับรถหรือบางคนไม่เป็นพนัก ง, งานขับรถแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรเครื่องมือหรือว่าบางคนก็มีรถส่วนตัว หรือว่าเกี่ยวข้องกับงานการที่สัมพันธ์กับผู้คนสติสำคัญมากนะสติสำคัญมาก ท, ทำให้เราเนี่ยใจยับเนื้อตัวเวลาเราทำงานใจอยู่กับงานงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุดหลายคนนะั้นเวลาทำงานนะ ไม่มีความสุขพใจนึกถึงลูกที่บ้านกังวลถึงลูกทางา น, นก็ไม่มีความสุขเวลาอยู่กับลูกที่บ้านใจก็นึกถึงงานก็เลยไม่มีใจเต็มร้อยอยู่กับลูกแลวบางทีพอนึกถึงงานขึ้นมานะหงุดหงิดกังวลพูดลูกพูดอะไรไม่ถูกก็ระบายว่า วิวดวะตวัดใส่ลูกนะลูกก็เป็นทุกข์แม่เข้าใจแม่ม่เข้าใจพ่อเวลาทํา ง, งานใจนึกถึงลูกเวลาอยู่กับลูกใจนึกถึงงานเวลาจะนอนก็ไม่ถึงงานเวลามาทํา ง, งานก็ง่วง น, นอนนะเป็นกนอย่างนี้หรือเปนะล่าถ้าทํางานนี้จะมีความสุขมามถ้าใจนึกถึงลูก กังวลถึงพ่อแม่ไม่มีความสุขงานก็ไม่ดีแล้วเวลาอยู่กับลูกลูกมีความสุขมหมที่เราอยู่ด้วยลูกก็ไม่มีความสุขเพราะเราเนี่ยกังวลกับงานใจม่กับลูกความสมัครกับลูกก็ไม่ดีมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะเวลานอนก็นอนไม่สนิทเพราะนึกถึงงานเวลาทํางานก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะมุนนอนเนื่องจะกหลับไม่สนิท อนนเนี่ยไอ้แค่การทํางานเนี่ยนะถ้าเราใจเอยู่กับปัจจุบนันมีสติอกับปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยทําให้งานได้ผลคนก็เป็นสุขเวลาขับรถใจเรามีสติอยู่การขับรถก็จะปลอดภัยไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความรั้งพลาเวลาเราขนสินค้าใจเราอยู่การขนสินค้า ใจเราไม่กวัดแกงไม่ลอยไปโดในไม่คิดไปนี่นะเราก็สามารถที่จะเอาสินค้าไปส่งได้ตามเป้าหมายตามครบจำนวนไม่มีความผิดพลาดการมีสติสำคัญมากทั้งกับการทำงานและการดำเนินชีวิตนะมันสำคัญทั้งในเวลา ง, งานในเวลานอกงาน มันสำคัญทั้งในเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งใกล้และไกลแม้แต่เวลากินอาหารคุณก็ต้องกินอย่างมีสตินะ ถ, ถ้าคุณไม่มีสติคุณอาจจะอาหารในติดคอก็ไนดะ้หรือคุณอาจจะกินมากไปจนร่างกายอ้วนพระจเรจ้ามเหสีิโก่สนนะเป็นผู้ปกครองเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้จ้าเนี่ยเสด็จจำพรรษานานที่สุด20กว่าปีพระเจ้าเสนีโกสนเนี่ยเป็นคนทีช่ชอบกินอาหารกินจุจนตัวอ้วนวันนึ้งก็มาเฝ้าผู้จ่าแล้วก็บอกเนี่ยว่าเดินเหนยก็ไม่ค่อยคล่องแคล่วเวลาจะมากราบผู้จ้านี้ก็สึกอัดผู้จ้าก็เลยให้คำแนะนำโดยจัดเป็นทางถาง ก็คือว่าผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคเวทนาก็จะเบาบางเวทนาหมายถึงความทุกข์กันนะแก่ช้าอายุยืนนะพระจําแผ่ที่นก็สนชอบเลยนะคําแนะ น, นํานี้แต่ว่ากลัวจะจำไม่ได้แล้วกลัวจะไม่มีสติเวลากินก็เลยให้หลานเนี่ยจําคําแนะนำนี้ไว้แล้วก็ ทุกครั้งที่พระเจ้าเสศริโกส่วนเนี่ยสวยพระกายอาหารก็จะให้ไหลเนี่ยมาท่องคาถานเนี่ยผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในการเวทผู้เวทนาจะเบาบ า, บางแก่ชาวยืนพระเจ้าเศริโกส่วนก็มีสติในการกินไม่เสวยมากไม่กินจุในสุดร่างกายก็เพียวน้ําหนักก็ลดลงไปไหนมาไหนก็สะดวกก็ดีใจนะสารเสรบพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสอนทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรม ไม่ต้งการกินก็ต้องมีสตินะเวลานี้เราเวลาเรากินเลยมีสติไหมเวลาเรากินใจเราลอยนะสติมันหมายความว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวกําลังกินใจไม่อยู่การกินแต่ส่วนใหญ่นะตัวกินนะแต่ใจลืบไปไหนบางคนนะสั่งก๋วยเตี๋วมากินไปกินไปเอกใจนี่ ก๋วยเตี๋ยวเานี้เราสั่งมามันมีลูกชิ้นอยู่ห้าลูกทําไมมันเหลือแค่สองอีกสามลูกไปไหนแคลไปไม่ได้ไปไหนเราอีูในท้องแล้วคว้าใส่เปลือกที่ไม่รู้ตัวนะเราสังเกตว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยใจเราอยู่ไหนนะตัดปากก็เคี้ยวแต่ใจมันลุเสพอะไรเนี่ยเราอาบ น, น้ำ ใจเราอยู่ไหนใจราลอยไปที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่กับการอาบน้ําสติมันแปใจตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วคุณสามารถจะฝึกสติได้นะด้วยการฝึกในชีวิตประจําวันทําอะไ ร, ใ จ, รใจก็อยู่กับสิ่งนั้นขับรถใจก็อยู่กับการขับรถล้างหน้านใจก็อยู่กับการล้างหน้าอาบน้ําใจก็อยู่กับการล้างอาบน้ํา ล้างชามหั่นขักซักเสื้อผ้าใจต้อยโยนสิ่งนั้นคุณจะมีสมาธิกับการทำสิ่งนั้นแล้วคุณก็จะคุณก็จะมีใจที่สบายโปร่งเบาและสะเตทที่คุณฝึกแบบนี้แหละมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถจะรับมือกับสิ่งที่มากระทบหรือเหตุรณายที่เกิดขึ้นได้วันหนึ่งคุณโทคุณเป็นมะเร็ง แทนที่คุณจะฟูมไฟ่คร่ำครวญคุณได้สติขึ้นมาว่าจะปวดตีโพลตีพายทำไมเพราะว่าถ้าตีโพลตีพายนะมันไม่แช่ป่วยกายเลยปวยใจด้วยหลายคนที่พอมีสติพเพราะว่าตื่เป็นประเลงว่าฟูมฟฟ่ทำไมต้องเป็นชั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับผมเผากระเซ้ากระเซิงไม่อาบน้ำไม่กินไม่ไม่หลับไม่นอนไม่มีชิอชีวอะ นี่เพราะไม่มีสติไปนึกถึงนานาคนแล้วว่าโอ้ชันจะตายหรือหนี่ความกลัวตายเข้ามาครอบงำใจแต่ทุกคนมีสตินะคุณจะสติมันจะช่วยาากระจับปั่เปล่าเอารมเหล่านี้ออกไปจากใจไม่กลัวไม่กังวลแต่จะใครควรก็เออแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราจะรักษาที่ไหนจะไปหาใครนจะไม่ไม่โกรธว่าอยากตายตอยากตาย หลายคนเนี่ยไอ้ตอนที่สุขภาพดีแล้วก็เพลิด ก, กับกับชีวิตนะลืมตายหลายคนเนี่ยตอนที่มีสุขภาพดีมีความสุขในชีวิตนี่ก็ดูแบบลืมตายเพื่อเ <ๆ S 1> พลิดความสุขแต่ความพวดจนเป็นมะเร็งอยากตายหรือถึงไม่อยากตายก็ตายมันเป็นแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยนะมันจะมันทําให้เราเนี่ยตั้งหลักได้แล้วก็สามารถที่จะรับมือกับ สิ่งที่เป็นวิกฤตในชีวิตนะเวลาถูกคนโกงเงินหรือว่าเวลารถหายโทรศัพท์หายก็ไม่คลั่งวไม่ทุกข์หายแตงเงินแต่ใจไม่หายถ้าไม่มีสตินะเสียเงินนะไม่พอนะใจเสียด้วยพอใจเสียปุ๊บ สุขภาพกายก็เสียก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมีเพื่อนมึงถูกโกงไปสองหมืนเป็นครูกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยปล่อยให้เนื้อตัวปล่อยให้ร่างกายผายคอใจก็เสียสุขภาพก็แย่ไม่มีแรงทํางานงานใหญ่นะไม่มีกระติกใจทํางาน เสียเงินไม่พอนะเสียสุขภาพเสียใจเสียสุขภาพเสียงานแล้วก็เสียสมรรธภาพหนุดหิตระบายอารมณ์ใส่แฟนนะคนที่มีสตินั้นจะไม่เสียแค่เงินนะจะเสียใจเสียสุขภาพจะเสียงานเสียสมรรถภาพแต่ถ้ามีสตินะมันเสียแต่เงินแต่ใจไม่เสียปกติกลับมาตั้งหลักงไปจะแต่คิดว่า ฉันไม่อยอมเสียมากไปกว่า น, นี้ถ้าเสียเสือก็อกเสียแค่หนึ่งอย่างฉไม่เสียมากไปกว่า น, นี้สติมันทาให้ได้คิดฉั น, นอยากจะแนะนาําพวกเร า, าเนี่ย้เรื่องการดูสติรักษ า, าใจสําคัญมากนะมาช่วยทําให้เรามีความสุขมีสุขภาพดีมีความสมาธิลับลื่นทําาำงานก็ไม่ไม่พังเถื่อพังพลาดจนทําให้เกิดความรู้สึกผิด หรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาและไม่ทำให้เราไปก่อการต้มนิจกับผู้อื่นด้วยเพราะความหลงนะแล้วก็พูดตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นภาอบรรยายและเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นปฏิบัติไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเอาแค่นี้ก่อนมีใครสงสัยไหม ถ้า ม, มีคําถามเดี๋ยวก็อาจะชวนพวกเราได้ปฏิบัตินะอย่างที่ก็มาบอกไว้แล้วว่าการสตินี่มันหมายถึงการที่ใจอยกับปัจจุบันสติช่วยใจอยู่กับรูปปัจจุบันสติช่วยให้ใจอยู่กับนตัวถ้าใจเราอยู่กับระตัวมากเท่าไหร่เราก็จะมีสติที่ว่องไวที่ปราดเปรียวมากเท่า น, นั้นวิธีที่จะ ทำให้สติของเราว่องไวเราก็เลือกการเจริญสติการเจริญสติมีไหยแบบส่วนใหญ่จะเริ่มต้นให้จิตเนี่ยมาอยู่กับกายไอ้กายนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นระบบหายใจนะแต่ที่จะมาจะพาทำเนี่ยกายหมายถึงการเคลื่อนไหวเช่นการยกมือนะหรือการเดินตรงกลม เอากายเป็นฐานหรือเอากายเป็นบ้านฝึกติตให้มันอยู่กับกายเหมือนกับว่าให้มันมีบ้านที่อาศัยติดของเราเนี่ยมันเหมือนกับเด็กใจแตกนะที่ไม่ชอบอยู่บ้านมันเป็นเด็กที่ชอบออกไปนอกบ้าน ร, ร่นเร่พนจรบางทีตรงทั้งการเป็นระเหยเรร่อนแล้วก็พอกลับมาพ่อกระเซาะกระเซิง ก, กลับมาเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้านะแถมเอาเรื่องเอาปัญหามาแถมไปสร้างปัญหามาให้พ่อแม่หนักอกหนักใจนะวัยรุ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้กันมากไม่อยู่บ้านไม่ติดบ้านแต่ชอบเอาไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกลับมา ไปตีกันไปทะเลาะกันไปขโมยของหรือว่าไปทำผู้หญิงท้องเียกลับมาแม่มาปวดหัวโอนเออยู่แล้วนะจิตที่เป็นแบบนี้จะไม่มีความสุขเลยนะแต่ว่าเราจะสร้างความสุขให้กลับคืนมาด้วยการทำให้จิตเนี่ยมันอยู่อยู่กับให้ฝึกจิตให้อยู่กับบ้านบ้านในที่นี้คือกาย ลมหายใจก็ได้หรือว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวก็ได้เวกเราเคยฝึกการสร้างจังหวะมาแล้วอย่างเคยั้ย สิบห้าชั่ววัแต่ไม่ต้องนับนะและเราที่ยกมือเนี่ยนะก็ให้ใจอยู่กับมือที่ไม่ถึงกับเพ่งนะแค่รู้สึกเฉยเรู้สึกว่ารู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องถึงกับเป็นเพ่งมันเพราะถ้าเป็นเพง่งนึณจะไปบังคับมันแล้วพคุณบังคับไป เ, เวลายกมือก็ให้ใจอยู่การยกอันนี้เรียกว่าสติทำ ง, งานนะแต่บอยครั้งเนี่ยพอคุณยกไปสักพักใจก็ไปที่อื่นออกไปนอกห้องไปที่ทำ ง, งานกลับไปที่บ้านไปหาเพื่อนไปหาแฟน อันนั้นธรรมดาแต่เมื่อการที่รู้ตัวว่าใจเปิดไปพาจิตกลับมาอยู่ที่การยกทำนี้ไปเรื่อยๆอาจจะบาจจได้ ต, ตามะ น, นะแต่ว่าผมต้องตั้งใจฟังแก็มมนใช้ไม่กโฟนไม่ได้ทารูปวางไว้ที่เข่านะ แล้วก็จังหวะแรกก็เอามือวางไว้บนเข่าตั้งขั้งบนเข่าเห็นไหมเห็นทุกคนไหมแล้วก็ยกมาไว้ที่ท้องมือซ้ายตั้งบนเข่ายกมาที่ท้องเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกหายออกวางบนเข่าเอามือประกบกอบเข่ายกมือซ้ายขึ้น หายออกวางบนเข่าประกบกบเข่าทาซ้ำขุดขาขึ้นตั้งบนเข่าเยาะอซ้ายตั้งบนเข่ายาสองขุดขาที่หน้าอกหายออกวางบนเข่าประกบือซ้ายซ้ายออกบนเข่าประกบขุดขาตั้งขึ้น กซ้ายข้างยกกดหายออกพอบกงคับกดอเราลองทาดูเยอะที่ไม่ต้องมีคำบรนยาย ทำซับห้าทีนะให้ใจเราอยู่กับจเราอยู่กับมือที่ยกเนี่แหละแต่ไม่ถึงับเป็นเพ่นมนแล้วก็จะพบว่าใจมันจะไม่ค่อยอยู่หรอกมันจะไปโทษไหนี่ไม่เป็นไรกลับมาไม่มีอะไรยากนะแค่นี้เอง ยกก็ล้วอยกนะเอามือลงก็เอารั้วเอามือลงไม่ต้องคิดเอาแค่รู้สึกเฉยเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัว ฟางจะเป็นไรหม่ๆใันจคิดมากกว่ารู้นะคิดคือหลองดันะั้น ส ม, ส ม, ม, ม, ม, มีความก็สงสัยอะไรไหมปฏิบัติฟุ่มมาใจฟุ่มมามีใครสงสัยไหมเพราะทำไปสงสัยนี้ให้คมต่อวันนีวิธีปฏิบัติหลายแบบ ไหวไม่ว่าจะอยู่ในเรืออยู่บนใจก็ให้รู้สึกตัวสติกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันถ้าคุณไม่มีสติคุณก็ไม่มีความรู้สึกตัวคุณไม่มีสติเว่าอะไรเข้าใจคุณลอยไปโน้มไปนี่ออกไปนอกตัวก็ไม่รู้สึกตัวคุณจะมีสติคุณมีความรู้สึกตัวก็ต่างคือมีสติสติช่วยคุณจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือความรู้สึกตัว ความสตัวที่พูดถึงเนี่ยในทางธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ความสกตัวในทางการแพทย์ในทางการแพทย์นเนี่ยเห็ยงแค่คุณตื่นจากสลบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบตื่นฟื้นขึ้นมาก็เรียกว่ารู้มมสึกตัวแล้วหรือว่าตื่นจากความตื่นจากความองตื่นจากหลับหายจากการออกมาองไฟหายจากทิศยาก็ยกรสึกตัวแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อย ใจจะล อ, อยรู้สึกตัวในทางทํามนี่หมายความว่าใจอยกับเนื้อกับตัวมีสติรู้กายรู้ใจการที่ตายทำอะไรใจก็รู้เป็นยกมูอใจก็รู้มือเรื่อรู้สึกเดินก็รู้รู้รู้ว่าเดินและเมื่อโดยคิดไปก็รู้คิด เมือ่อมีสติก็จะเห็นการเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกปกติเวลาเราฟุ้งซ่านเราไม่รู้ตัวหรอกเดี๋ยก่อเราจะมีสติเราก็จะเห็นหว่าหัวใจคิดนึกไปนะาเปิดคิดนึกไปไม่ใช่แค่รู้ใจคิดนึกนึกแล้วรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเวลาโกรธก็รู้โกรธอย่างในาหารที่จะไปยิงผู้ปกครองเนี่ยควรมีคนมาเตือน ว่าท่านมารับลูกไปใช่หค ร, รับแต่ก็รู้ตัวเลยว่ากาลังโปรธกำลังจะทาอะไรในตอนที่จะไปยิงก็มไม่รู้ตัวนะเพราะความโกรเป็นข้อบงำใจแต่พอเปคนเตอรสติกก็ ร, ร, รู้สึกตัว ร, รู้สึกตัวพวกนี้ความโกรธก็หลุดไปในความพิจารณาฆ่าเขายิงเขาก็มันก็หายไปกลังรู้ทําอะไร ถา poor, there, ้ารู้สึกตัวก็ไม่รู้ตัวถ้าหุตัวก็ไม่รู้สึกตัวแา้วันันสงผ่านกันแล้วเราจะพูดว่าเราเราสร้างยังไงวะหรือว่าเราปฏิบัติที่ทำางยีเนี่ยมันจะหรุดตัวบ่อยจะไม่รู้สึกตัวมือก็หลุดไปแต่ใจไม่หลุดไหนตอนที่ใจลอยไปมือยู่ใีนใดเนี่ยตรงนั้นแหละที่ความสึกตัวจะถ่างหายไปแต่ถ้าคุณรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ทาด้วยใจที่ไมเผมร้อยใจเต็ร้อยเกิดขึ้นั่นมื่ความสึกตัวเกิดขึ้น คุณจะทำความดีก็ต้องมาใส่ความรู้สตัวจะทำบุญนะแต่ว่าอาจจะมุ่กมิตก็ได้ที่คิวมัญยาต้องต่อคิวเพื่อที่จะไปไปกราบหลวงพ่อไปถวายบัใจให้หลวงพ่อคิวบัญยา ว, ลวเลาเคยผ้มุ่งมงิตรไอ้มุ่รนี่ามารู้สึกกลัวทำบุญก็เลยได้บาปทำบุญแล้วได้บาปได้เหกันนะ เช่นจะเป็นอที่เด็กยรุ่ยอย่างจะไปทาบุญให้กับหลวงพ่อแต่ว่ามุ่งมีดมากเมื่ที่เามันยาวหรือว่าจะไปวัดคนขับรถนัอะไรก็ไม่มาสักทีมุ่งมินแล้วจะไปทาบุญนั้นแตุ่งมดแต่เช้าเนี่ยอันนี้ก็เลยวางใจไม่ถึงบุญจะไปทำบุญแต่ใจไม่ถึงบุญแล้วก็มุ่หมีดเนี่ยไม่เกิดขึ้นไดเพไม่รู้สก ต, ต่ถ้ารู้สึกตัวนะก็หายหมุ่ จิด ใ, ใจว่าโปร่โรโล่งเอาสบายทำบุญก็ได้บุญเ0 0ร้อถ้าไม่ได้สุกตัวจะทำบุญไม่ว่ามากแค่ไหนก็อาจจะได้บุญแค่5้าสิบเอซอีกห้าเปซนตความหดยินความโันกิเลสมานแะงยนงมนกิเลสมันเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองปฏิบัติมือเล็กหน่อยนะอ่ะันนี้ขยายขึ้นเป็น 你喜欢听。 คนสมัยนี้มากเพราะคุณนู่สาถ้าเราไม่จัดการความเบื่อนะจะทำอย่างไรชีวิตก็คงจะประสบความเจริญก็ได้ในยามเพราะว่าคุณทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ต้องมีความเบื่อบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่คอยาอควาเบล่อเข้ากับใจล้วก็สามารถที่จะอยู่กับความเบือไนดะ้อยู่กับความเบื่อที่ไม่ทุกข์ใจไม่เือตางแล้ลองปฏิบัติดู เราทําก็อย่าให้ดูดูการเราไปด้วยนะเราเครียดไหมหน้าดำค่าเคร่งหรือเปล่ า, า, หลานะให้ใจเราให้การเราผ่อนคลายอย่าไปหน้าดุที่โกรโมยหายใจสบายๆให้รู้สึกว่านี่มันเป็นการพัดใจนะวางเรื่องงานการเอาไว้ก่อนอะไรก็ตามที่มันต้องปวดติตใจก็ให้วางาไว้ ให้อยู่สบายๆกับกายของเรา ผาใจกลับมา ก, กับบรรยากาศให้รู้สึกตัวมือเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอามือลง ก, ก็รู้สึกเอามือขึ้นก็รู้สึกแต่ไม่ต้องไปเพ่งมันคิดอะไรไปก็อย่าไปกดข่มความคิดไปห้ามความคิดไม่ต้องทําขนาดนั้นแค่ให้รู้ว่าเออคิดไปก็พอแล้วจะไปห้ามความคิด ความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องคิดเอามารู้สึกเอง คิดเรือราคิดเรราบมันจะเหนืยนิธีการปิบัลนี่างทำได้หลายวิธีนะอีวิธีนการเดิจดนจงบกะเดียวสามทิศให้ไปดูนะกาะรรงโกะการจงโตะนี่ก็จะในการเก็บมืออาจจาะกอโดโกะโกงมือว้างหน้าหรือว่าไว้หลังก็ได้นะเราก็เดินา มา3เมตรนะแลก็จากที่เนี่ยก็ถึงต็ปรมาณสเมตรเวลาเดินนี่ก็เดินสบายๆข้อเท้าก็ประมาณเก็บมือไว้อย่างที่อกตอนที่เดินก็ให้มีสติอยู่การเดินรู้สึกถึงเท้าที่กาลังเคลื่อนแต่ไม่ต้องไปจดจ่อที่เท้านะให้เขารู้สึกทั้งตัวรู้สึกว่ากำลังเคลื่อน อันนี้ก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาวกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย้กเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวไ้ร การเดินมันจะคิดไปไหนก็รู้ตัวเมื่อกรากลับมาให้เราทําเนี่ยอาจจะทำที่ห้องพักของเราก็ได้หรือว่าถ้าเราทําถูกทําเป็นเมื่เวลาเราเดินข้ามตึกเดินไปทํางานเดินกลับบ้านมันก็กลายการเดินจบผมได้ค่ะเพาเวลาเดินในตลาดหรือการเดิน อันนี้เรีเป็นการปฏิบัติในรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการยกมือเป็นจังหวะหรือการเดินตะกนีมม่เยเป็นการปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบนั้ น, นก็นบบนนสำคัญ น, นะอย่างเทียมตัวยกตัวอย่างอา น, า, น า, ง า, า, าน้ำกินข้าวหรือฟังซักผ้าหวัดบ้านนะมันมีการเคลื่นนอนไหวพระเจ้ากล่าว่าเนี่ยให้ทําความสืบตัวเวลาเดินไปข้างหน้าหลับไหไปข้าขงหลังเวลาหิวหน้าไล่หลังเวลา ภาคเวลาฟังจีวรเวลาบิณฑบาตเวลากินเวลาเคี้ยวเวลาดื่มคูกขาเหยียดขาทุกอย่างที่เราที่เรามีการเคลื่อนไหวหรือรกลิ่นยาบทเนี่ยให้ทําความสึกตัวเมื่อทําความสึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็จะมีสติยกการความรียปวดต่างๆพวกเราเวลาทํา ง, งานหลายคนเนี่ย มีการเคลื่อนไหวนะขนของนะหรือว่าประกอบอุปรกรณ์มีการเดินก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่มีเรียกว่าตามนี้เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติในตัวปฏิบัติที่ไม่ได้แวาต้องเข้าวัดเข้าคอร์สงานที่เราทำในชีวิตประจำวัน อิเล็กว่ดที่เรามีในชีวิตป ร, ระจาวันเนี่ยมันองเป็นการเจริญสติได้เวลาเราอยู่นิ่งๆนะเราก็ทาอิเียกโรเช่นที่เรามาเราขึงนิว้วนะขึ้นิ้วไปเวลารอรถเวลารอรถเมย์หรือรอเพื่อนหลายคนหนงุดหงิดเพื่อนไมมารถนี้นรถเมยไมาททีอันนี้เรียกว่าขาดัขาดทุนขัดทุนนะ เพราะว่ารอเพื่อแล้วแถมแถมยังหงุดหงิดโดนสองเต้นเลยนะแต่ถ้าเรารอที่เรารอเพื่อแลคลึงมือไปทิปมือไปพิมมือมาจะไม่ใช่การเสียเวลามันจะการเป็นการปฏิบัติเราจะไม่หงุดหงิดเราจะได้สติมองแทนลอเพื่อแล้วเนี่ยยายาขาดทุนเราต้องเสยโอกาส ถ้าเราคึงนิ้วนะความสึกตัวกับการจะไม่มีความตรงนีเวลาเราคอรถเมเวลาเราคอยไฟแดงนะขับรถกด็ดีนั่งรถก็ดีรถติ ด, ดไฟแดงก็ให้ถือว่าเป็นโอกาสในการปฏิบัตินะอยีางน้อยๆก็เป็นเวลาที่เราจะได้ทำใจสงบอยาให เหตุการณ์เหล่า น, นี้เนี่ยมันมาสร้างความทุกข์กระจิตใจของเราบอกแล้วว่าไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้นอกจากใจของเรารถติดไฟแดนงมันา น, น, านก็ไม่นใช่อะเรที่ทำให้เราดูความทุกข์ก็ได้ถ้าเรามองว่าเออรถติดก็ติดไปไฟแดงกี่สิบนาทีฉันก็ไปเดิอดรอดเพราะว่าฉันก็ได้เจรอรถติดรอบที่ฉันเจอสถติด มีความสุนตัวใจฉันก็เบาโล่งโปร่งเบาสบายนะทําได้นะรถติดแต่ติดไม่ตกเดี๋ยวนี้เนี่ยรถติดเนี่ยติดตกเลยรถติดแต่ติดไม่ตกรถติดแต่ใจสบายเพราะว่าใจกลับอยู่บนนืกับตัวไม่บ่วงกังวลว่าไม่คอยห่วงกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงที่หมายสักทีบางคนเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเครียดหมุนกินเวลาเรารติดก็ใจมันไปพุ่งไปข้างหน้าไปนึกถึงว่าจะไปถึงที่หมายชา้าเดี๋ยวเจ้านายจะว่าหรือจะประชุมให้ทันคิดไปสารพัดอันนี้มันโรมเอ ง, งนั่นแหละเพราะมันยังยังไม่เกิดขึ้นก็เรื่อจิตไม่อยู่กับปัจจุบนันก่อใจอยู่ปัจจุบันนั้นต้ติดเราก็ไปพุก เราก็ตามลมหายใจก็ได้เราก็คลึงนิ้วไปก็ได้แล้วก็พลิกมือไปพลิกมือมาสบายนะให้รู้จักเติมความสบายใส่ใจของเราบ้างอย่าคิดแต่เป็นอย่าอย่ามัวแต่ขาดทุนกับเหตุการณ์ต่างๆอย่ามัวแต่ยั้งเจลีความทุกข์กับจิตใจของเราเจอนี้เจอหน่ก็ทุกข์นะเจอนี้เจอแล้วก็มีเรื่องแล้วก็ไปโทษท้างนอกนะ กลับมารรดูใจนะวันนี้กำลังดีแล้วนะเวลาดีใจก็กลับมารรดีใจว่าเออที่เรากำลดีใจเราต้องใจเด็กคนหนึ่งนะอันนี้หลวงพ่อประสงบริฤตุณนท์เาเล่าถ้าเขาเจอเด็กคนนี้แปดขวบเป็นผู้หญิงนะก็ท้าทางจะเป็นคนเป็นคนฉลาดพูดจชาฉาดน่ารักก็สนทนากันอยู่พักใหญ่ พอหลวงพ่อจะกลับว่าท่านก็บอกว่าหนูเป็นเด็กน่ารักนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลแล้วก็หยิบเอารูปกระางขึ้นมาจากย่าพอเด็กเห็นเด็กเราผู้คูหลวงพ่อท่าก็เลยถามว่าหนูร้องอู้คูเนหะ็นหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าอะไรเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะนะเห็นข้างในมันดีใจ คนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่นไม่ค่อยเห็นหรอกในข้างในมันดีนใจผมพ่อประสบการณ์ชาวแล้วดูทาอะไรกับมันละรูเพื่อตอนดูเไื่ทําอะไรกับมันลูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันมันเบาลงนะวามดีใจบางร้อนของมันตั้งแเนี่ยเขาแค่ปลกตักั้แต่ว่ารู้จักดูใจรู้จักสังเกตอารมณ์ของตัว ผู้ใหญ่หลายคนนั่นไม่รู้นะั่นไม่สังเกตอารมณ์ตัวนะดีใจไม่ร่้ดีใจหรือโกรธไม่รู้โกรธเลยอันนี้เนี่ยเป็นเพราะจิตส่งออกนอกจนลืมมาดูใจของตัวคนเราถ้าไปดูใจของตัวนะันก็ปล่อยให้ใจถูกกิเยสเล่น ง, งานถูกความทกข์เล ง, งานหรือบางทีก็ไปหยช่วยเอาความทุกข์เนี่ยมา อผารถติดใจอย่างที่อาจารย์แชร์โซลวอร์นะว่าไม่มีใครม า, มาขับใหเราทุกท่านเขาไมีแต่มามาเชิญมาชวนให้เราทุกมาเชิญมาชนให้เไม่พอใจไอ้ที่ทุกพ่ออะไรไปรับเอาคำเชิญเข้ามาไปรับเอาคำชวนของเขาแม้จะไปโทดเขาไม่ได้ต้องโทเราด้วยถา้าทนายดีไปรับคําเชิญทนายดีไปรับคำชวนเคาเขาก็ว่าไม่มีสติไม่รู้สึกตัว ไอ้สิ่งมันเป็นขยะเปนปฏิกูลก็เลยไปหยุดไปเชื้อเข้ามามาใส่เข้าในใจเขาจับไม่จักลนลาสารพิษเข้าจับสารพิษแปลกใจเข้าจับไปหยุดเสารพิษจากเข้ามามาเล่นงานจิตใจแล้วก็แนะนําให้ลองไปปฏิบัติดูนะปฏิบัติที่บ้านปฏิบททัตินนที่ทํางานระหว่างที่เรารอรอเพื่อนระหว่างที่เรากำลังพักงานเพยงแค่ หนาทีสินาทีก็ตามลมหายใจได้แต่ตามลมหายใ จ, นะ จ, ใใจคึ้นยืด ก, ก็ได้ปฏิบัติเราได้มีรโอกาสที่แน่นอนนี้เป็นตายตัวเราทําได้หลายแต่มีเพื่อนตามาคนนึงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหมอผ่าตัดแกียายามมากอยนะช่วงสงกรานต์นี้เพแค่ไม่ได้หลัไม่ได้นอน น, ะผนะผ่าตัดคนทีน่ประสบอุบัติเหตุ จริงไม่นดนอนถึง 20-30 ชั่วโมงเพราเคสเข้ามาเยอะมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าอารมณ์ร้อนเวลาพยาบาล ย, ยืน่นมีดผิดให้ยื่นอุปกรณ์ผิดให้ ก, ใหหก็ด่าพยาบาลเพื่อแก็ทุกข์นะเพราะว่าอารมณ์ร้อนแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ค่อยถือสาคนในโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยถือสาเพราะแก้บนคนขี้าเนี่เวลาไม่มีเวลาส่งตายเนี่ยคนนื้นนี่ ลาางงานไปเที่ยวของแกแกดีดีทํางานแทนให้เขาก็เลยไม่ไม่พูดสารแกแต่แกก็เป็นพึน่งพอการที่อารมณ์ร้อนดา่นาคนตอนหลัที่แกมาปฏิบัติ ท, ที่ว่าธรรมาแกก็เห็นความสำคัญการปฏิบัติของการเจริญสติความสมาธิและแกก็พยายามฝึกอยู่เสมอฝึกอย่างไงช่วงที่รอคนไขยนะคนไข้ ผาเสร็จแล้วก็เอาส่งตอ่อส่งกลับไปที่บอร์ดไปหาผู้ป่วยแฟนที่รอเคอสใหม่เข้ามาห้านาทีสิทีแกก็ทําสมาธิแกมีเวลาว่าไม่มากนะเพราะว่าแคชมาันเข้ามาเรื่อยๆผู้ป่วยเข้ามาเรื่อยๆแค่ห้านาทีสิทีแกก็ได้มีเวลาพักไม่ใช่แค่พักกายพักกายทำสมาธิแต่บางทีแกก็ฝึก ยัก็ถักโครเชต์ไปลองที่ลองเพิ่มแค่ก็ถักโปรเชต์หมโครมใจก็สบายแถมไอ้โปรเชต์ไหมโครมที่ถักนี่กไปขายได้ไปขายเายไป็นอุปโภริโภคได้ไม่ว่าได้ทั้งเน้ทสมาธิแล้วก็อารมณ์โป ร, ก, ปปรก็ไปทอปวาร์ตโลนอันนี้เราทําได้ในชีวิตประจำวันของเราในงอนการทํางางนาของเรานะอย่าไปบอกไม่มีเวลาปฏิบัติมีเวลา ถ้าเรามีเวลากินข้าวถ้าเรามีเวลาอาบน้ำถ้าเรามีเวลาดูฟังเราก็มีเราปฏิบัติการปฏิบัติตั้งชื่อว่าการเจริญสติมันก็แตกต่างกันเราบองไม่มีเวลาปฏิบัติแต่ทำไมมีเวลาโกรธทำไมมีเวลามี่เวลาโมโหทําไมมีเวลาทุกข์นะแล้วโกรธไม่ให้โกรธแค่สองสามนาทีนะโกรธเป็นวันทุกเป็นเดือนทุกเป็นปีทำไมมีเวลา ทุกเป็นปีทํามเวลาทุกเป็นหลายเดือนโกรธหลายวันแต่ทำไมไม่มีเวลาปฏิบัติถ้ามีเวลาทุกมีเวลาโกรธมีเวลาท้อแท้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีเวลาเหลือฟือเพราะฉะนั้นเน่อยาอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติแต่แต่ที่มีเวลาโกรธยังมีเวลาเบื่อยังมีเวลาเสงยังมีเวลาท้อแท้ มีหมดฮะคำถามถ้าไม่มีก็คงคึดไปทังนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ไม่มเป็น